พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สบสามวักที่สามชื่อปริภาชกวักมีสิบสูตรพระสูตรแรกของวักที่สามพระสูตรที่ยีสบเอ็ดจุลวัชโคตตะสูตรสูตรว่าด้วยวัชโคตตะปริภาชกสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับหน้าศาลาเรือนยอดในป่าใหญ่ใกล้กรุงเวสาลีสเสด็จไปบินบาีในเวลาเช้า แวะสนทนากับวัชโคตปริพาชกณอารามขอปริพาชกชื่อเอกาปุลธรีกะวัชโคตปริพาชกทูลเชิญให้ประทับณอาสนะตนเองถือเอาอาสนะต่ำกว่าแล้วทูลถามว่ามีผู้พูดกันว่าพระสมณะโคดมเป็นสัพพัญญูรู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงมีญาณทัศนะปรากฏสมบูรณ์ทุกอิริยาบถ ดังนี้จะเป็นการกล่าวตู่หรือไม่ตรัสตอบว่าไม่เป็นการกล่าวตู่ตรัสต่อไปว่าผู้กล่าวว่าพระสมณะโคดมรู้วิชาสามก็กล่าวได้เพราะพระองค์ทรงได้ปุเพนิวาสานุสติยานคือยานระลึกชาติได้จุดตูปะปะตายานยานเห็นความตายความเกิดหรือที่เรียกว่าทิพยจักสุ และอาสวะขยะยานยานอันธทรรมอาสวะให้สิ้นวัชโคตะปริภาชกทูลถามอีกเป็นข้อๆดังต่อไปนี้คือหนึ่งขรือหัดยังไม่ละกิเลสเครื่องร้อยรัดของขรือหัด ต, ตายไปจะทำที่สุดทุกขได้มีหรือไม่ตรัสตอบว่าไม่มีสอง ข้ารือหัสยังไม่ละกิเลสเครื่องร้อยรัตของคฤรือหัสตายไปจะเข้าถึงสวรรค์มีหรือไม่ตรัสตอบว่ามีไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อ ย, รอยหรือห้าร้อยแต่โดยที่แท้มีมากกว่านั้นที่ค้ารือหัสยังไม่ละกิเลสเครื่องร้อยรัตของคฤรือหัสตายไปเข้าถึงสวรรค์ได้ 3. อาชีวก หรือนักบวชนอกศาสนาประเภทหนึ่งตายไปจะทำที่สุดทุก์ได้มีหรือไม่ตรัสตอบว่าไม่มีสอาชีวกตายไปจะเข้าถึงสวรรค์มีหรือไม่ตรัสตอบว่าเท่าที่ทรงระลึกได้เก้าสิบกับยังไม่ทรงเห็นอาชีวตกเข้าถึงสวรรค์ลเลยเว้นแต่อาชีวตกพวกหนึ่งที่เป็นกรรมวาที คือพวกที่กล่าวว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและพวกที่เป็นกิริยวาทีคือพวกที่กล่าวว่าทำเป็นอันทมทำในที่นี้สะกดด้วยทอทหานะครับทำที่หมายถึงการกระทานั่นเองสำหรับข้อนี้ว่าโดยเหตุผลทางสัมมันสํานึกก็พอจะเห็นได้ว่าพวกที่สอนให้คนอื่นไม่สนใจในความดีความชั่ว เพราะถือว่าไม่เป็นอันธรรมและไม่ให้ผลดีชั่วก็เท่ากับชักชวนในทางผิดทำให้เสียศียลธรรมคนเช่นนี้จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้อย่างไร